ตอนมัคผลนแห่งการปฏิบัติวันที่25ตุลาคม2557การมัดสการพระคุณเจ้าสา ม, มนเณรคุณไม่ชีกะเลมิทุกคนนะวันนี้เหมือนครอบครัวเล็กๆไม่ค่อยมีคนเยอะนะเพราะครูก็มีอะไรจะแจ้งให้ทราบเรื่องที่หนึ่งก็คือ ประมาณต้นเดือนพฤศจิกาเนนะอีกไม่กี่วันข้างหน้าเนี่ยเราจะปิดซ่อมสาลานะก็ตอนนี้ญาติธรรมที่จะมาช่วงพฤศจิกาที่เขาจองไว้แล้วเนี่ยก็ติดต่อใครเลื่อนได้ก็เลื่อนนะมาจากต่างประเทศเขาจองแล้วก็มาเราจะไปปฏิบัติที่สาราพิกุภาวนานะแล้วก็ไปทําวัดที่นู่นและปฏิบัติที่นู่น ในส่วนญาติที่ทำข้างนอกก็คงเข้ามาคงต้องเป็นเดือนนะเนาะพราะครูพยายามจะทำให้ทันวันพ่อคือวันที่ห้าทันว่าที่แก ว, ว่าจะเปิดครึ่งหนึ่งแล้วซ่อมครึ่งหนึ่งคงไปไม่ได้เพราะมันมีแสงไฟสเก็ไฟอะไรก็ทุกอย่างอันตรายแล้วมีกลิ่นเชื่อมเดี๋ยวเสียสุขภาพก็เอาเป็นว่าซ่อมใหญ่เลยทีเดียวนะยกหลังคาขึ้นแล้วข้างหลังก็ต่อ บังเอินคนงานที่บ้านแหลมทองเนี่ยทุกทกปีพอต้นเดือนหน้าเนี่ยเขาจะต้องไปปักใต้แต่พอไปเอาเงินเข้ามาก่อนแล้วต้องไปเก็บกาแฟจดใจเขาก็คนงานส่วนหนึ่งก็ต้องขาดเพราะูจะระดมคนงานที่บ้านด่านเม่นเข้ามาคือให้ใช้เวลาน้อยที่สุดก็อันนี้แจ้งข่าวให้ทราบแต่เราต้อง ปฏิบัติต่อเนื่องก็คือเดี๋ยวพระครูจะไปปรึกษาทางพระภิกษุท่านเาไม่มีปัญหาเพราะว่า ท, ท่านก็เดินทู้ดงออกไปเหลืออยู่ไม่กิ่รูปก็ไปใช้ที่นี่ปฏิบัติก่อนแล้วก็เรื่องที่สองคือเมื่ออาทิตย์ที่แล้วครูมาประชุมที่นี่เขาก็ปรึกษาพราะครูว่าภาษาอังกฤษว่าลถแมป เขาบกากพ่อครูสามปีเนี่ยสามปีที่ผ่านมาผ่านมาแล้วเขาก็สรุปผลงานแล้วส่วนใหญ่โรงเรียนก็ทำไปตามเป้าแต่อีกหลายหลายอย่างก็ทาไม่หมดเพราะว่าตั้งเยอะมากตั้งรถแบบเยอะมากนะก็พ่อครูอย่าตั้งเยอะตั้งในที่มันทาได้นะสามปีต่อไปนี้ก็คือเป้าหมายคือให้เด็กคิดเป็นพูดเป็นทาเป็น ส่วนจะใช้วิชาอะไรใช้ไม้ไผ่ใช้กระบองใช้อะไรทําให้มันคิดเป็นผู้เป็นทาเป็นก็ทําไปไม่ต้องไปท่องจำในวิชาพ้าว่าบอนั้นไร้าสาระนะแต่ยังไงก็ช่างสอนสรเขาก็มาตรวจเขาก็ประเมินในวิชาที่เขาต้องการก็เรื่องของเขาถ้าเขาปิดโรงเรียนเราเราก็จะสบายไม่ต้องไปเป็นหนักมาเวียนอย่างเดียวนอ้อก็คงไม่ถึงขนาดนั้นเอาเป็นว่าเรียนเรื่องไร้าสาระเนาะ พวกครูบอกว่าครูครูจะเอาอะไรก็ได้เป็นเครื่องมือนะเอาขี่หมาก็ได้ขี่ไก่ก็ได้ทำให้เด็กมันคิดเป็นพูดเป็นทำเป็นนั่นคือเป้าหมายของการศึกษาเตรียมตัวคนะถ้าเขาคิดเป็นพูดเป็นทำเป็นเนี่ยโลกมันเปลี่ยนตลอดเวลาจะไปท่องจาวิชาวิชานี้พอจบมาปุ๊บมันเปลี่ยนใหม่แล้วถ้าเขาคิดเป็นพูดเป็นทาเป็นเขาจะเรียนรู้ตลอดชีวิตอันนั้นก็รถแมพทีนี้รถแมพศูนย์เราล่ะ แล้วไม่เคยตั้งรถแบบนะตอนนี้มาตั้งเขาเขาหน่อยจะได้ทันสมัย <c oughs> เอาว่ารถแแบบศูนย์เราจากนี้ไปสามปีเหมือนกันพวกครูต้องการเห็นก็เรียกว่ากลายเป็นหมู่บ้านพลาราน่อยนะเอาไปว่าพลารานคอยวิวเลชต้องเป็นเฮลิวเลชเป็นหมู่บ้านสุขภาพก็ให้สร้างนี้เสร็จแต่ใครพร้อมทําก่อนนะตอนนี้พวกเครื่องจักรต่างๆมอเตอร์ไซค์รถยนอะไรเนี่ย ที่มีอยู่แล้วก็มีมอเตอร์ไซค์ห้ามซื้อเพิ่มแล้วก็ในเขตที่เราปฏิบัติตรงนี้เดี๋ยวเราจะวางเขตนะไม่ต้องเอาเข้ามาเพราะเราหายใจตลอดมันเสียสุขภาพแล้วในศูนย์พอจอดไว้แล้วขับรถมาจอดไว้แล้วเนี่ยถ้าทํางานระหว่างในศูนย์เนี่ยไม่ต้องสตาร์ทเครื่องเดินเอาหรือขี่จักรยานนะเดี๋ยวจะใครไม่มีจักรยานเดี๋ยวพ่อครูหาให้แล้วพ่อครูปกติที่จอดที่นี่เหมือนกันจะไม่เอาเข้ามา พวกกูก็จะขี่จักรยานเหมือนกันเราต้องเอาสุขภาพเป็นที่ตั้งนะไม่ต้องเอาความสะดวกสบายแล้วก็ทำร้ายตัวเองนะเราต้องเป็นแบบอย่างแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องพลังงานด้วยนะ3าปีนี้เราต้องทำให้มันสมบูรณ์ก็คือใช้แสงอาทิตย์ก็เกี่ยวกับเรื่องเราไม่เราเราเร า, เราไม่ต้องมีส่วนร่วมในการสร้างร่วมสังกกรรมทำให้โลกร้อนอันนี้ก็ คือรถแมพของเราก็ถ้าไปพูดถึงโลกใบนี้มิแต่พูดแต่เรื่องที่ฟังแล้วห่อเหี่ยวใจฟังแล้วมันเศร้าใจนะพูดไปมองไปที่ไหนก็เป็นอย่างนั้นวันนี้ก็มีเรื่องหน้าชื่นชมเนี่ยพราครูติดตามข่าวสารบ้านเมืองดูโลกตลอดเวลาแล้วต้องรู้โลกอย่างแจม่มแจง้งว่ามันเกิดอะไรขึ้นมนุษย์ษยุกนี้เนี่ยทุกเพราะอะไรสุขเพราะอะไรหลมอะไรอยู่นะเราก็ต้องตามให้ทันนะ เรื่องน่าชื่นชมเรื่องแรกก็กูก็ได้เห็นข่าวหนึ่งนักธุรกิจอินเดียบริษัทเขาปีนี้มีกำไรสามหมืนกว่าล้านแล้วก็ทำยังไงพนักงานเขามีสี่ร้อยกว่าคนเขาซื้อรถเก๋งแจกให้คนละคันแล้วก็ให้หมดแม้กระทั่งพานโรงอะไรเนี่ยนะส่วนใครทำงานดีเด็ดปุ๊บเขาก็แจกคอนโดให้คนทุกคน อันนี้น่าชื่นชมทุนนิยมไม่เคยคิดแบบนี้เขาว่าเขากะว่าปีนีงกำไรห้าหมื่น ล, 50, ล้านได้แค่สามหมื่นล้านเขาบอกเขาขาดทุนไปหมื่นกว่าล้านนะ่เพราะเขากาไรยังไม่ถึงเขาไม่มีหรอกมีน้ำใจแบบนี้อันนี้น่าชื่นชมมากถ้าทุนนิยมเป็นอย่างนี้ทุกคนนะ่ะโลกนี้ก็น่าอยู่ไม่ใช่สามสี่หมื่นล้านที่เขากาไรปีเนี่ยไม่ใช่เขาทำคนเดียวนะสี่ร้อยกว่าคนช่วยกันทํา ผู้คูเคยไปอินเดียนะว่าเขาเป็นประเทศที่ยังมีวัฒนธรรมเขามีศาสน า, นาเขาเป็นต้นกําเนิดของพุทธศาสนาจะเป็นพุทธเป็นฮินดูเป็นอะไรก็ช่างที่มันเขาเขายังมีวัฒนธรรมแล้วมีหลายคนที่เป็นสําเร็จมีชีวิตแล้วเนี่ยผู้ครูผู้ครูไม่เคยจาชื่อว่าใครบ้างนะเอาเป็นว่าเขาเคยบริจาคเงินสองพันล้านเหรียญยูเอสดอลล่าที่เป็นเงินไทยประมาณหก0 0 0่นล้านบาท กำลังสร้างเนี้ยยังไม่เสร็จนะสองปีแล้วนะสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมที่ใหญ่ที่สุดหกหมื่นล้านถามว่าเศรษฐีเมืองไทยนี่ยทำไหมไม่เพราะยังไม่ถึงเป้าไงยังไม่ถึงเป้ายังไม่ถึงเป้าเดี๋ยวพ่อกูว่าเดี๋ยวตายก่อนเพราะมันไม่มีวันถึงทุนนิยมทุกวัน น, นี้มีแต่กอบโกยสร้างเป้าแล้วก็ทําลายสิ่งแวดล้อมเพราะสิ่งแวดล้อมไม่ดี คนจนซึ่งช่วยสร้างทุนให้เขาเนี่ยก็เลี้ยงเหมือนกันเห็นไหมสิ่งที่น่าดินดี ท, ที่เรื่องนี้น่าชื่นใจนะคนอินเดียเนี่ยเขายังมีวัฒนธรรมเขายังเอาเรื่องชีวิตเป็นที่ตั้งแล้วเมื่อกี้นี่ก็ก่อนจะมาแก้วทริปก็เขาอัปเดตให้พรอครูดูว่าตอนนี้ทีอาอสีมอเตอคุณเล็กวนิดาสันซื้อเขาครบเมื่อกี้ฟังปุกก็หลือ ม, มาละเพราะมันไม่ได้จำเนาะสิบเจ็ดปีหรือสิบเก้าปีไม่รู้บริษัทเขาเขาก็ มีกิจกรรมและพนัก ง, งานทุกคนก็แสดงความคิดเห็นทุกคนแสดงออกมาว่ามีความภาคภูมิใจที่ได้ทํางานบริษัทนี้ไม่ใช่บริษัทนี้ดีที่หนึ่งหรือว่าสิการดีที่สุดไม่ใช่เขาบอกเขามีความสุขหลังจากผู้บริหารนี่กล้าหารเขาใช้ว่ากล้าหารเอาโปรแกรมกายฟิต จ, จิตเฟิร์มอารมณ์ดีชีวิตมีสุขมาให้พวกเขาตอนนี้พวกเขาทํางานอย่างมีความสุขครอบครัวก็มีความสุข ทุกคนแสดงความคิเท็นอย่างนี้อนยะ่านีะเขาบอกว่าไม่เคยมีใครกล้าโดยบริการบริหารสมัยใหม่ทุกวันเนี้คิดแบบพลังไม่มีใครกล้าที่เอาเรื่องคุณธรรมเอาเรื่อ ง, อรองอธรรมะนี่ไปทําให้พนักงานมีความสุขอันนี้เนื่องจากว่าคุณเล็กมณีดาสันซื่อเนี่ยเขาเขาจับไม่ปล่อยเห็นไหมพนักงานเป็นรอยนั่งเครื่องบินมาที่อุบลมาเข้าค่ายที่นี่ปิดคลนอีกเลยนะ แล้วก็ตอนนี้เนี่ยคนไข้เขาเนี่ยเป็นอันหนึ่งของเมืองไทยหลังจากพนัก ง, งานมีความสุขการต้อนรับมันก็เย็นทุกคนก็เห็ายิ่งให้ก็ยิ่งได้อันนี้อันนี้เป็นสิ่งที่น่ายินดีเรื่องหนึ่งแต่คุณเล็กทำจริงเขาปฏิบัติจริงๆเขาเห็นว่ามีคุณค่าปุ๊บแกก็แบ่งปันให้พนัก ง, งานตอนนี้เขาไม่มี เป้าคือตัวเลขแล้วเป็นหลักความสุขเป็นหลักนะส่วนตัวเลขนั้นเป็นรองได้ตัวเลขแล้วก็แบ่งบรรพนัก ง, งานให้มีความสุขไม่ใช่เรื่องตัวเงินแหละอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ยินดีที่สองแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งพวกครูก็เป็นไปบ้างแล้วเนี่ยที่กรุงวัติกันพระสันตปาปาัมาองค์ปัจจุบันอันนี้เรื่องกระเทือนไปทั้งโลกเลยนะช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยนะทรงตัดว่า คนรักร่วมเพศเป็นคนกลุ่มที่น่าเห็นใจไม่มีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจคิดซจักน่าจะเปิดโอกาสให้คนกลุ่มนี้มีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจไม่มีสันตปาตาองค์ไหนกล้าพูดแบบนี้เพราะในไบเบนะิลเนี่ยพูดชัดเจนเลยว่าพวกที่มีเขาเกรยกวเป็นโรคจิตเลยนะพวกนี้นะต้องถูกลงโทษทีจริงแล้วมีาศาสนาพุทธ ก็เหมือนกันไม่ใช่ว่าพระเจ้าลงโทษหรือว่าใครลงโทษนะก็คือกรรมที่เขาสร้างลงโทษไม่ใช่แล้ ว, ว่าพืร่วมรักร่วมเพศนะแม้กระทั่งเรารักกันผู้ชายผู้หญิงนี่แหละเราก็ต้องถูกลงโทษโดยกรรมรักโลกโกรธลงมันเป็นทุกข์โดยธรรมชาติเราต้องถูกลงโทษอยู่แล้วมันเป็นกรรมทําให้เราผูกพันเพราะเราสูญเสียสิ่งที่เรารักเราก็ทุกข์ไงแต่ในใบบันทึตัดพูดได้ชัดเจนเลยนะ แต่สระปาองค์นี้เนี่ยท่านมีวิชั่นท่านมีปัญญาท่านกล้าหาญมากจนข่าวนี้ออกไปเนี่ยรางวัโลโนเบลกำลังพิจารณาอยู่มันเป็นเรื่องของเรื่องอะไรละ่ะมนุษยธรรมเขาก็เป็นคนส่วนเขาจะทําอะไรก็เป็นกรรมเฉพาะตัวนั่นคือเขามีวิชั่นนะศาสนาคิดตอนนี้เนี่ยคนนับถือศาสนาคิด เขประเมินเมื่อสามสี่ปีก่อนนะเพราะครูเคยมาบอกพวกเรานะสองพันสามร้อยล้านคนหนึ่งในสามของโลกเพราะเขาเขายอมเปลี่ยนแปลงตามโลกแต่เปลี่ยนครั้งนี้เนี่ยไม่รู้ว่าจะไปรอดหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันไปขัดแย้งกันแรงมากดีไม่ดีประสมปะปานี่ไม่รู้จะปลอดภัยหรือเปล่านะแต่ความยิ่งใหญ่ของท่านท่านมีเมตตาท่านมีเมตตา กิจกาที่วางวางอธบางไว้นั่นแหละจริงๆแล้วไม่ใช่ข้อห้ามเด็ดขาดเหมือนศีลศีลห้าเราเหมือนกันนะพระเจ้าไม่ได้ห้ามไม่ให้เรากินเหล้าเพราะบ่าพระองคบอกละเว้นให้กระทั่งฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเนี่ยคือว่าไม่ได้บอกว่าห้ามนะเป็นข้อละเว้นหลีกเลี่ยงอย่าทําแต่ถ้าจําเป็นต้องทําแล้วเนี่ยถ้าจําเป็นต้องทํายกตัว อ, อย่างนะเ อ, อมีพรมรูปหนึ่งเนี่ยเขาเห็นในกอเนี่ย มันสร้างกรรมม่เยอะเลยมาเยอะเลยถ้ามันฆ่าคนอีกคนหนึ่งเนี่ยนะมันตกนรกแบบยาวเลยพรมรูกนั้นน่ะฆ่ามันทิ้งเลยนะฆ่าคนนี้ทิ้งเลยเพื่อมันให้มันรอดพ้นเพื่อให้มันรอดพ้นอย่ให้มันสร้างกรรมใหม่มันก็จะมีโอกาสเกิดเป็นมนุษย์อีกอันนี้ยกตัวอย่างพรมที่ละละเวน ส่วนนักกติกาต่างๆเนี่ยเขาตั้งไว้เพื่อนในการอยู่ร่วมกรรมชี้เจตนาอย่างทหารเนี่ยออกไปรบศึกคนนี้ยิงศัตรูตายบาปคนนี้ยิงศัตรูตายไม่บาปแม่ค้าคนนึงเชือดคอไก่บาปคนนี้เชือดคอไก่ไม่บาปทําไมเลือกที่รักมากที่ช่าง ทหารคนนี้ยิงศัตรูตายสะใจดีใจมากบันทึกสัญญาแล้วว่าฉันฆ่ามันคนนี้สัตว์แต่ว่ายิงลูกปืนมันไปฆ่าเราไม่ทําอะไรเลยนะเราไ ม, ไ ม, ไม่ไม่บันทึกเราไม่ยินดียินไล่แต่นั้นแต่ถ้าคุณไม่ฝึกจิตทําอย่างนั้นไม่ได้อันไหนที่บันทึกเรามีจิตนาปุ๊บมันบันทกึกเนี่ยตายเราก็ไม่จบไอสัญญาที่บันทึกโปรแกรมนี้มันตามไปอนาคตเรียกว่าวิบากกรรม แต่ทหารสองคนเขาจําเป็นหรือไม่จําเป็นเขาเป็นเพเป็นทหารเนี่ยเป็นกรรมเฉพาะหน้าโอกาสที่เขาถูกยิงตายก็มีเหยียบกับแล้วเบื่อตายก็มีนะแต่ถ้าพวกเราไม่ทําสิ่งนั้นแล้วก็ไม่มีไม่ค้าสองคนมีเชื่อกอไข่คนนี้เชื่อเพราความมั่งคั่งหรือว่าเชื่อเพราเกียรติมันมีเจตนาอะไรก็ช่างมันบันทึกแต่คนนี้ไม่เชื่อเพราะเชื้อซัวเป็นลูกจ้างเขาไม่ได้คิดอะไรไม่บันทึก ไม่ใช่วิบากกรรมไม่ใช่บาปแต่เป็นกรรมเฉพาะหน้าสองคนนี้เนี่ยจะเจตนาหรือไม่เจตนาก็ชั้นเนี่ยโอกาสมือเปื้อนเลือด ก, ก็มีโอกาสมือพลาทั้งถูกมีดบาดก็มีอันนี้กรรมเฉพาะหน้าถ้ามันเกิดผลก็เกิดในเวลานั้นเลยถ้าไม่เกิดก็คือผ่านไปก็เที่ยวนี้เนี่ยพระสัญ บ, บปตานีกต้ า, าหาญมากตล้ า, าหาญมากนะเพราะความเมตตาของพระองค์ คืออะไรที่ดีๆเพราะกูไม่ได้แยกศาสนาไหนก็ทั้งศาสนาก็เป็นสมมุติพุทธคริสอิสลามอะไรก็สมมุติมันเกิดขึ้นมาทีหลังสมัยก่อนโดยธรรมชาติไม่มีศาสนาเพิ่งเกิดมาไม่เกิน3 0 0พันปีแค่นี้เองสองสามพันปีนี้เองนะแต่แต่ตัวศาสนาเหมือนองค์กรหนึ่งตั้งขึ้นมาเพื่อขับเคลื่อนคำสอนของศาสนาทุกศาสดาศาสนาเป็นกลางๆมีประโยชน์แต่คน oh. ในศาสนาเองเนี่ย บางทีเข้าใจผิดแล้วก็ไปหลงศาสนาแล้วไปยั่งชิงมวลชนกันว่าของฉันถูกของเธอผิดนะศาสนาไม่มีอะไรเสียหายตึงกานๆแต่ตอนนี้ทำไมว่าศาสนากาลังเสื่อมศาสนาไม่ได้เสื่อมแต่คนในศาสนากาลังทำให้เสื่อมก็เรื่องนี้ก็เป็นน้าเย็นดีนะที่พระสันตะปาปาเนี่ยท่านก้าหานมากและสิ่งที่ท่านพูดมันก็เป็นเรื่องเมตตาธรรม เป็นคุณธรรมอย่างหนึ่งคนคนหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่เขาอยากทําอย่างนั้นพระเจ้ายังโปรดองค์กุริมานเลยมหาโจร น, นะฆ่าคนมาเก้าร้อยเ้าสิบเก้าเห็นไหมพระองค์ยังโปรดจนองค์กุริมานบรรลุเป็นพระละหันอันนี้คือความเมตตาความเมตตามันข้ามคนเรื่องถูกผิดดีชั่วไอ้กติกาต่างๆนี่มนุษย์สร้างขึ้นทีหลังเหมือนกฎหมายทุกวันนี้เนี่ย กฎหมายเหตุเป็นข้อตกลงกันระหว่างแต่ละประเทศแต่ละชุมชนตั้งข้อตกลงกันว่าเราจะอยู่ร่วมกันแบบนี้เป็นข้อตกลงกันกฎหมายเหตุทีถ้ามันดีจริงๆเราจะเป็นเลือกผู้แทนมันเสียเงินเสียเวลาทําไมไปแก้กฎหมายแสดงว่ากฎหมายมันยังไม่ใช่ดีจริงๆมันเป็นข้อตกลงชั่วคราวเมื่อโลกมันเปลี่ยนแล้วเนี่แล้วก็เปลี่ยนกฎหมายได้แต่ไม่ใช่ไปทะเลาะกันไปทุบประกฎหมายศินวินัยเหมือนกัน พวกครูบอก ว, ว่าพวกคูเองสีสิปีวิ่งไปตามโลกสินห้าบอกไม่ให้ทํำไรทั้งหมดพวกคูไม่มีศินแบบนั้นแล้วทําไมสารจำโมงนั่งพวกคูบรรลุทําได้แต่ไม่ใช่ว่าทุกคนมันไปผิดศินนะอย่าเรียนแบบมันไม่เหมือนกันวิบากกรรมสร้างมาไม่เหมือนกันอย่างอง์กุลิมาเนี่ยฆ่ามาเก้าร้ยเก้าสเก้าในชาติสุดท้ายนั่นแหละทำไมบรรลุเป็นอาหารหันต์ได้อย่าเรียนแบบอีกเพราะมันไม่เหมือนกั น, มนไม่ตายตัวนะ แต่ตอนนี้พระเอากติกาตั้งเป็นตายตัวเลยเนี่ยเราก็เป็นลังเกียจคนที่คนรักรวงเพศร่วมอะไรนี่นะถือว่าเป็นสิ่งน่าลังเกียจเป็นสิ่งผิดอะไรเนี่ยนะแต่ว่าศาสดาต่างๆหรือพระพุทธเจ้าเองเนี่ยพระ อ, องค์รู้แล้วว่าจะรักรวมเพศหรือรักต่างเพศอะไรก็ช่างถ้าไม่ระวังเนี่ยคือเป็นหลงมันปุ๊บนี่ทุกแ น, น่รักโลภโกรธหลงมันเป็นทุกข์มีคนยกมือถามพระครูรักมันจะทุกข์ได้ยังไง มาหลายปีก่อนนระถามแรงๆเลยรักมันจะทุกรักกันก็ดีแะ้วเนี้ยเออเป็นพยาบาลนะแฟนก็เป็นหมอคุณพยาบาลรักคุณหมอไม่รักถ้าวันไหนคุณหมอถูกแย่งไปยังรักอยู่หรือเปล่านั่นงงงบางทีไม่ใช่ไม่รักเฉยๆนะแขนนี้ต้องชําระสิบปียังไม่สาย อ, อ้าวถ้าเรารักคนที่เรารักเนี่ยเขาไปมีความสุขแล้วต้องอนุโมทนาสาธุขเขาสิเนี่ยรักมันทําให้ทุกข์ไง เปลี่ยนความรักให้กลายเป็นความเมตตาการุณามุทิตาอุเบกขาส่วนจำเป็นที่ต้องมาอยู่ร่วมกันจะเป็นร่วงเพศฤทธิ์หรือหรือหรือเพศชายเพศหญิงอะไรก็ช่างมันก็เป็นวิบากอย่างหนึ่งเราก็มีโอกาสมาเจอกันแล้วเนี่ยก็ต่างคนต่างใจนี่กันทั้งไปหมดอย่าแบกนี่มันข้ามภพข้ามชาติอี ก, ก็แล้วกันมันไม่ใช่เรื่องผิดล่วงถูกอะไรนะมันมันเป็นกรรมอย่างหนึ่งทีนี้ ผู้นทางจิตวิญญาณในเองเนี่ยต้องมีเมตตาสูงมากต้องข้ามผลสิ่งนี้แต่ทีนี้ตอนนี้มันไม่ใช่ทุกๆศาสนาเห็นไหมกลายเป็นไม่ปฏิบัติทําไม่มีปัญญาก็ไปยึดมั่นถือมั่นกับคําสอนบนหนังสือเป็นตัวหนังสือมันหยามากแม้กระทั่งอิสลามก็มีคนกลุ่มหนึ่งเขารักาศาสนาเขามากนะเขาจึงเข้าป่านะเอาปืนมายิงคนตายไนงะเพราะเพราะเขาก็ถูกาศาสนาอื่นหรือว่าถูกทุนนิยมเป็นลังแกเขา มันกลายเป็นลัทธิอุดมการมันไม่ใช่ธรรมะนะอันนี้ก็พวกครูถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเย็นดีนะที่พระสามาตปาเนี่ยเป็นผู้นำทางจิตวิ ญ, ญญาณที่กล้าหาญมากมาเหมือนมาพระองค์ไม่ได้สั่งพระอว่าถึงเวลาหรือยังคิดถจักของพระองค์นเนี่ยสมควรที่จะพิจารณาเรื่องนี้ จะทำให้คนที่เขาเรับร่วมเพศเนี่ยมีที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจนะอันนี้เป็นการนำเสนอนะแต่ผลสรุปว่าเป็นยังไงก็ไม่รู้ทีนี้เรื่องเดียวกันจากเรื่องยินดีนี้จะเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงคือบ้านเราพุทธศาสนาในบ้านเรากำลังทะเลาะ ก, กันว่าใครพุทธแท้ใครพุทธเทียมโดยทุกคนก็อ้างคำสอนพระพุทธเจ้าทั้งนั้น ตีความเข้าข้างทิ่ติมนณะตัวเองว่าต้องเป็นของฉันถึงจะถูกต้องถึงจะของแท้ของเธอเทียมเนี่ยนะอันนี้น่าเป็นห่วงถ้ามีของแท้ของเทียมพุไม่ใช่พุทธศาสนามันเป็นของคู่ผู้เจ้าบอกอย่าไปติดของคู่ศาสนาจริงๆเนี่ยไม่มีแท้ไม่มีเทียมพระไตรปิฎกเริ่มจริงๆเนี่ย พอออกมาไม่มีตัวหนังสือเลยนั่นของแท้จริงๆพอมีตัวหนังสือปุ๊บมันจะหยาบทันทีเลยภาษาเนี่ยมันจะหยาบที่จะพูดปุ๊บทุกคนเข้าใจเหมือนกันหมดสิ่งที่พระเจ้าตรัสรู้นั่นคือความจริงแต่ความจริงนั้นพูดโดยภาษาไม่ได้สิ่งที่พระองค์สอนเป็งออกมากลายเป็นภาษาภาษาบาลีสันญกิกอินเดียโบราณหรือแปลเป็นไทยเนี่ยมันหยาบไปแล้วที่จะอธิบายสิ่งนั้น แต่พระ อ, องค์ใช้หลักภาษามนุษย์มาบอกเราว่าท่านจงมาดูเถิดปฏิบัติเถิดผู้ใดเห็นธรรมผู้นั่นเห็นเรา่าตถาคตพระอาจารย์ปรมีก็เป็นพระผู้ใหญ่ถือว่าเป็นมเป็นเทระมหาเทระแล้วซึ่งพระครูร่วมกิจกรรมกับท่านมาเป็นเวลายี่สิบกว่าปีท่านสร้างคุณอุปการให้าศาสนาเยอะมากเลยในป่าในเขาไกลแค่ไหน พวกกระเลียงพวกชาวเขาอะไรที่ไม่มีศาสนาถือผีถือสางและละัที่ศาสนาอื่นเขาก็บุกขึ้นไปท่านก็บุกขึ้นไปพระหนาแค่ไหนท่านก็แบกขึ้นไปไปตั้งที่เขาแต่ตอนนี้ท่านก็โดนหางเล็กไปด้วยไอ้ที่ว่าพุทธแท้พุทธเทียมมนะท่านกระบ่นกับพระครูพระครูบอกพระอาจารย์พระพุทธเจ้าตัดนีอย่างเดียวเท่านั้นที่พุทธศาสนิกชนรู้ภาษาว่าเป็นต้องทํา ในแบบเดียวกันคือโกวาทปาติโมกการไม่ทำบาปทั้งปวงการทำกุศลให้ถึงพร้อมการขัดเกลจิตให้ผ่องใสนี่ทุกคนต้องทำเหมือนกันส่วนเทคนิคอุบายวิธีในการขัดเกลาจิตให้ผ่องใสก็ดีในการละชั่วก็ดีในการทำดีก็ดีเนี่ยมันแล้วแต่จริตของแต่ละคน พระเจ้าคุยพระพุทธเจ้าแสดงธรรมกับภาษาฤาษีก็พูดแบบหนึ่งแสดงกับโมคคลานะก็พูดแบบหนึ่งแสดงกับพระราหุนก็พูดแบบหนึ่งพระ อ, องค์ดูจักจริ์พระองค์จึงยกตัวอย่างใบไม้กับมือเดียวเนี่ยมัน ม, มีมีหลากหลายไม่ใช่อย่างเดียวทุกคนต้องก๊อปปี้กันหมดอันนี้เราไปอ้างพระพเจ้าตัดคนนีนนี้ทุกคนต้องทําตามแบบนั้นหมดแล้วใครไม่ทําตามก็ถือว่าเขาเป็นพุทธพุทธเทียมอันตรายมาก ระวงพระสันตะปตปาเนีท่านพยายามจะดึงคนที่ไม่มีศาสนาเข้ามาในศาสนาคิดของท่านในขณะที่พุทธเรากำลังไล่พุทธเองเนี่ออกจากพุทธเอาไงมาคิดตอนนี้แรงมากนะพระอาจารย์ท่านก็โดนหางเลยวา่าอาจารย์ทาหน้าที่เราไม่ต้องไปกลัวอะไรพวาครูไม่เคยกลัวอะไรนะชีวิตพ่กครูถวายให้พุทธเจ้าแล้วบอกมาหน่อยใครเป็นเจ้าของศาสนาอยู่ในดาวอังคารเนี่ย เพราะกูก็จะขอนาซาไปไปขออนุญาตท่านมันาอาจยังไงทำตัวเป็นเจ้าของศาสนามันไปกันใหญ่แล้วนะแทนที่จะมาสร้างความสมานฉัน์ช่วยกันพายคนที่พายซ้ายคนที่ถนัดขวาไม่เกี่ยวทำไมต้องมาซ้ายเหมือนกันหมดอ่ะขอให้พายเถอะตอนนี้มาแก้งสึกย่ลงชิง ม, มวลคนกันเหมือนเอาแบบทุนนิยมวัตถุนิยมเลยสร้างแบรนด์เนม สร้างเป็นแบรน์เองของฉันของเธอของฉันแท้ของเธอเทียมเนี่ยผู้เจ้าสอนอย่างนั้นจริงๆเหรอผูค้ครูคนหนึ่งไม่เชื่อนี่คือเรื่องเป็นหน้าเป็นห่วงลูกศิษย์พระอาจารย์ปรานีทำกับท่านมาเป็นเวลาหลายปีพอไปฟังเ็าพูดแบบนี้ปุ๊บเนี่ยไปบอกพระอาจารย์ผู้เจ้ามไม่สอนแบบนี้เป็นภิกษุต้องฉันหน่เดียวฉันสองมือไม่ใช่คาสอนพระเจ้า อย่างนีพระอาจารย์มหายานเนี่ยเคยมาปฏิบัติกับพระครูมอายากไต้หวันน่ท่านฉันสามมือเนี่ยท่านก็ไม่ใช่พูดสิเราไม่มีเรื่องทำหรือไม่มีงานทำหรือหาเรื่องทะเลาะ ก, กันนะในขณะที่พระสันตปรตาเนี่ยพยายามจะเอาคนไม่มีศาสนามาเข้ากับศาสนาของท่านในขณะที่พุทธเรากำลังไล่คนพุทธเราหนีจักศาสนาคนรุ่นใหม่เขาเบื่อมากนะทะเลาะ ก, กันอย่างนี้เนี่ยเขาไม่เห็นว่าศาสนาให้อะไรเขา เขาจะไปออกจากศาสนากูไม่มีก็ดีเหมือนกันไปอยู่ที่ไร้ศาสนาเห็นไหมเมื่อกี้พ่อ ก, กูบอกว่าศาสนาคิดนี่คนสองพันสามร้อยล้านคนนับถือของเขาหนึ่งในสามของโลกอิสลามเนี่ยพันเจ็ดร้อยล้านคนมาที่สองฮินดูเนี่ยหนึ่งพันล้านคนมาที่สาม มีศาสนาใหญ่ๆสีศาสนาพุทธเราควรจะเป็นที่สี่ไม่ได้ที่สี่แล้วตอนนี้ตกไปที่ตกไปที่ห้าที่สี่คือคนที่ไร้ศาสนาประมาณเจ็ดแปดร้อยล้านคนนะเพราะครูจําตัวเลขไม่ได้แต่พุทธเรามีแค่หกร้อยล้านคนเมืองไทยเราหกสิบล้านกว่าจุดนับพุทธมาเลยแค่หนึ่งเปอร์เซ็นของที่นับถือเลยไม่ใช่เรายิ่งใหญ่นะแล้วพรอครูเองเนี่ยหลังจากยืมห้าปีมากลับมาจากอเมริกามาเมืองไทยนะ พุทธศาสนิกชนในเมืองไทย 97% 97% เห็นไหมเราจะลงศาสนาเผยให้ศาสนาเผยกันไปเผยกันมาตอนนี้เหลืออยู่85มันก้าวหน้าเนาะเมื่อจะทะเลาะกันแบบนี้แล้วมนไล่ศาสนากันเองคนศาสนาไม่ก็นำเรื่หลังเรายังเอาเขามีไม่อยู่แล้วว่าศาสนาพูดธเราเขาเบื่อวันดีคืนดีจะประกาศว่าของฉันแท้ของเธอเทียมแล้มาทะเลาะกันอย่างนี้นะ เราคิดว่าเราฉลาดเรากำลังทําให้คนลื่นหลังเนี่ยเขาเบื่อในศาสนานะอันนี้พวกกูถือว่าเป็นกําหนักเราทําลายในกอมันเป็นเรื่องของกรรมเฉพาะตัวเราทําลายองค์กรศาสนาที่เป็นกําหนักคือตัวเองไม่เคยปฏิบัติให้มันเข้าถึงปัญญานะแล้วก็เทพหรือ ว, ว่าปั ญ, ญายาทาให้เขาได้ปัญญากลับบ้านไม่มีปัญญาให้เขาไง คือถ้าในทางโลกไม่มีจุดขายไม่มีสินค้าฉันก็เอาเนี่ยเนี่ยคําสอนพุทธเจ้าเนี่นี่ น, นี่ฉันอ่านมากกว่าเธอคิดได้ยังไงใครอ่านหนังสือออกก็ไปอ่านเองได้ขณะอ่านจบเป็นด็อกเตอร์ทงางศาสนาจบป ร, ริญญาเก้าแล้วยังมานั่งทะเลาะ ก, กันอยู่วันนี้ผานเป็นอัตตาณ ต, ต า, ตตาไปกันใหญ่พุทเจ้าบอกอย่าเพิ่งเชื่อตาลาเห็นไหมอย่าเพิ่งเชื่อตาลา เพราะตำรามันเขียนด้วยภาษามันหยากมันจะเข้าใจผิดอย่าพึ่งเชื่ออย่าพึ่งเชื่อคนที่เขาพูดเป็นอาจารย์เราเพราะเรารักศรัทธาอาจารย์พูดอะไรถึงจะเชื่อเห็นไหมอมคูเรมาเนี่ยถูกอาจารย์หลอกไปฆ่าคนมาหนึ่งพันแล้วจะสอนวิชาพิเศษเห็นไหมไม่คิดเลยเพราะศรัทธาครูบาอาจารย์ไงฆ่าอย่างตั้งมั่นเห็นใครก็ฆ่ า, าแล้วกลัวจาลีวก็ตัดนิ้วมาแขวนคอไว้ คนนับเสร็จเก้าร้อ้าสิเก้าแล้วจะไปโกรธแม่ตัวเองเห็นไหมเมื่อสะท้อนเห็นว่าองค์คุลิมานเนี่ยไม่ได้เครียดแค้นคนที่ฆ่านะเข้าใจผิดคิดว่าฆ่าให้เขาตายเร็วๆเขาจะหมดเบล์หมดกรรมเร็วๆนะจะไปโกรธแม่ตัวเองเห็นไหมพอเดินทางไประหว่างทางทางการก็ออกหมายจับตายองค์คุลิมานแม่ก็เป็นห่วงก็เดินมาหาลูกแม่ก็เดินมาลูกก็เดินไปผู้เจ้าเห็นว่าถ้าไปฆ่าแม่เมื่อไหร่เนี่ย จะเจตนาไม่เจตนาก็ช่างเรียบร้อยไม่มีวันผลทุกข์แต่ผู้เจ้าไปเห็นอนดีตองค์ลุมารสร้างบารมีมาเยอะมากพระค์ไปเดินขวางไว้องคุลุมารบอกหยุดหย ด, ด, ดพระองค์เดินช้าช้าปกติองคุลุมานวิ่งยังไงก็ไม่ทันหยุหยุดหยุดพระองค์บอกเราหยุดแล้วแต่ท่านยังไม่หยุดองค์ลุมารบอกหยุดได้ยังไงท่านยังเดินอยู่ หูแตงบอกว่าเราหยุดทำความชั่วแล้วแต่ท่านยังทำอยู่คำนี้อ ง, อง ค, คุริมานตื่นขึ้นบรรลุธรรมเป็นเบื้องต้นวางดาบตาพระพุทธองค์ขอบวชเห็นไหมพระพุทธเจ้าบวชให้องคุริมานมหาโจรฆ่ามาเก้าร้อยเก้าสิบ้าแต่ตอนนี้มีวินยัยต่างๆที่เราตั้งมาทีหลังบอกว่าเฮ้ยไม่ได้ท่านมีประวัติไม่ดีอะไรเนี่ยห้ามบวชให้เราจะเลือกแต่คนดีๆคนดีๆ ก็ไม่ต้องมาปฏิบัติหรอกเขาดีอยู่แล้วใช่ไหมไม่มียกตัวอย่างนี้กติกาทุกวันนี้เป็นแบบนี้นะผู้เจ้าบวชให้มหาโจรทีนี้พอบวชเสร็จแล้วก็ไปบินทบาทถูกลูกเียคนที่ถูกฆ่านั้นโยนหินหัวล้างข้างแตกแต่พระอาจารย์องคุลิมานเนี่ยมันกระทบไม่กระเทือนจิตท่านไม่ง่อที่จะไปทุกข์อีกแล้วท่านก็รับกรไป คือกรรมมันหยุดไม่ได้ท่านจะบรรลุยังไงก็ช่างแต่ท่านก็ต้องรับอย่าว่าท่าองค์คุลิมาณ น, นะพระพุทธเจ้าเองเนี่ยเมื่อตัสรู้ทำเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเนี่ยยังโดนเทวทัตเล่นงานแล้วดุดกรรมที่ในฝังในจิตเขาไม่ได้ไงแต่มันกระทบมันไม่กระเทือนพระองค์พระองค์ไม่ไทุกเท่านั้นเองแต่เทวทัตก็ตกนรกนะอันนี้อันนี้การ เข้าใจสิลการรักษาสินเนี่ยต้องมีปัญญาไม่ใช่รักษาแบบซื้อบือ้อพวา ก, กูมาเมกาใหม่ๆตอนนั้นอะใสามากเลยมาอยู่หมู่บ้านนี้อยู่ในหมู่บ้านเพราะกูข้ามไปทาง น, นู้นทางนี้ไม่ใช่บ้านไม่มีมีต่ป่าพราะกูรออยู่ในชุมชนหน่อแล้วก็ไปดูเ อ, อวัดก็ไม่มเีเขาบอกอยากได้ศาลาขาดเงินสองแสนกว่าเดี๋ยวพว ก, กูบอกพ ก, กูจะเอาพระป่ามาให้นะแต่ขออย่างเดียวใช่ไหมไม่ต้องมีเหล้านะอยา่าหักค่าใช้จ่าย พ่อครูเลี้ยงทั้งหมดในหมู่บ้านในตำบล น, นี้เลยแล้วก็าเขาให้ไปพูดตอนนั้นอาหารการมากพก่กครูบอกว่าในชีวิตนี้เนี่ยจากนี้ไปไม่มีใครชนะพ่อครูได้ไอ้นักเลงกัดฟันเนี่ยห้ามไม่ให้กินเหล้าเสียอีกขี้เหล้าแล้วพ่อครูเห็นจิตเขาหมดจริงๆใครก็ชนะพ่อครูไม่ได้เพราะพ่อครูไม่สู้กับมันเราไม่สู้กับมันเราจะแพ้มันได้ยังไงแล้วมันจะชนะมันได้ยังไง มันชนะเราได้ยังไงเห็นไหมเ้าไม่สู้กับมันแล้วยอมแพ้คนเพื่อชนะกิเลสดีกว่าแพ้กิเลสเพื่อชนะคนทีนี้พวกผูก็อบรมพวกขี้เหล้าอบรมยังไงพวกกินเหล้าได้ต้องกินนะไม่กินโง่มันก็ยิ่งนะแต่ถ้ากินแล้วมันไม่ได้กินแล้วมันเสียเน็ตไปกินเนี่ไอ้หัง่งมีคนหนึงไปทำงานในไรพวกผูพระกผู ใช้อุบายไล่แหลมทองกเกษตรเพื่อชีวิตไม่ใช่เพื่อธุรกิจทํามาหากินไม่ใช่ทํามาหาขายเขาก็ไปทํางานพอได้เงินรายวันมาถึงสี่แยกปุ๊บเขาเรียกว่าสี่แยกเซเว่นเพื่อนก็กวักมือแล้วปุ๊บอ้าวเอามาขวดนึงกงนึงก็ชนแก้วกันใหญ่เมาเมาเมาติดลมแล้วเนี่ยก็สั่งมาอีกขวดนึงไม่มีเงินจ่ายแล้วก็แตะไว้ เดินเซกับบ้านภรรยาถามหาเงินตบภรรยาอีกอันนี้กินเหล้าแล้วมันได้หรือมันเสียอันนี้กินแล้วมันเสียไอ้งั่งแต่ถ้าเราทําธุรกิบร้อยล้านพันล้านเออประชุมกันสั่งวายมาควรหนึนะ่งสองหมืนนะจิตคนคนละนิดชนแก้วแค่กระสใยแล้วก็เซน็นสัญญากันทุกคนได้ประโยชน์คนละห้าล้านสิบล้านอันนี้ถ้าไม่กินอ่ะโง่บางคนโบรานก็กินเห ล, ล้าเหล้าดอมยาเนี่ยนะ พอเป็นกระใสจะไม่ยึดมั่นถือมั่นซื่อบื้ออะไรอย่างงั้นนะอย่างงั้นไปไม่รอดหรอกกอดไ่อยู่ตรงนั้นแหละมีหลายปีก่อนมีคณะหนึ่งไม่ต้องเอ่ยชื่อเขาสิ่งที่เขาทาดีๆเยอะแยะตอนนั้นไม่มีศูนนะอยู่ในไร่แหลมทองพ่อกูก็ปฏิบัติทำทุกวันนะไม่มีสาลาโส่ๆแบบนี้หรอกมุงด้วยหญ้าพื้นนี่เอาฟางข้าวมาปลูกปฏิบัติกันเขาก็เข้ามาสิบหัวคันรถเลย ในนั้นก็มีนักบวชเข้ามาด้วยเพราะครูจะไม่พูดไปตรงๆเขาจะรู้ว่าพระครูพูดใครเขามาคุยกับพ่อครูว่าตอนนั้นทุกคนเรียกอาจารย์บัญชายึดหลักอะไรเขาคมกลัวพ่อครูเผยแพร่าศาสนาผิดมั้งพ่อครูบอกปุ๊บไม่ยึดมั่นถือมัน่นก็บอกอาจารย์บัญชาไม่ยึดมั่นถือมั่นขึ้นต้นไม้ก็กตกลงมา กูก็มองง่าท่านนี้ทำไมมาพูดอย่างนี้พราะหลงพี่กอดอยู่ตรงนั้นเราขึ้นต่อไปได้หรือไม่ท่านสะดุ้งเลยนะเรายึดศีลเป็นแนวทางเดินอย่างมีสติแต่ถ้าเราไปหลงศีลกอดอยู่ตรงนั้นเราก็ไม่ตกเราก็ขึ้นต่อไปไม่ได้ไงกอดอยู่ตรงนั้นนะอย่าอย่าปล่อยนะนี่ไปหลงศีลแล้วไงยึดศีลเป็นแนวทางเดินอย่างนี้เขาก็ถามท่านว่าหลวงพี่ถ้าสมมุติว่าฝังมนต์บางวนมาอยู่ริมเขื่อนเนาะถ้าฝังมนต์บางเวนเออสมมุติว่าเป็นนิพพาน เราต้องมีเครื่องมือสามอย่างเราต้องมีเรือเปรียบเสมือนศีล น, นะแล้วต้องมีพายนเปรียบเสมือนสมาธิเราต้องมีเข็มทิศเปรียบเสมือนปัญญาสามอย่างนี้ข้ามฝั่งถามว่าพอถึงฝั่งแล้วหลวงพี่จะแบกเรือขึ้นไปด้วยไหมท่านก็มองหน้าพ่อครูตอนนี้ยี่บห้าปีเนี่ยพ่อครูพ่อครูกินข้าวมือหนึ่งบางคนพ่อครูถือสิงแปดหรือเหวี่ยงทิ้งหมดแล้วมันหนักบางคนตกใจนะ คนไม่มีสิลมาแสดงธรรมแต่ยี่ห้าปีพ่อครูไม่ทําชั่วแน่นอนไม่ใช่มือถือสากปากถือสินถือถือหลุดหลุดฉันถูกฉันมีศิลจะไปด่าคนอื่นทุกวันน่ะคนด่าเขานี่ไม่มีศิลอย่างยิ่งมันเป็นศิลแล้วสิลคือความปกติของจิตเมื่อจิตมันไม่มีความอยากมันไม่มีอนาคตทําไมไมันจะไปผิดสินน่ะเห็นไหมสี่สิบปีพระครูสิ่งสุดๆเลยอ่ะ กินเหล้าทุกยี่หอ้อสูบบุหรี่วันหนึ่งสามสี่จองโอหกลูกค้าต่างหากแต่พวกคุณไม่ไดใส่เพื่โกหกเพื่อจะหลอกลวงเขาไม่ใช่เราเข้าใจมันเป็นเทคนิคจริงๆแล้วเนี่ยถ้าตอนนั้นมันฉลาดมันก็ไม่ต้องโกหกมันเหนื่อยไม่ต้องพูดด้วยความจริงบางอย่างเราไม่ต้องพูดก็ได้แต่ไม่ต้องโกหกเราบอกมันทําไมละ่ะซึ่งว่าสูตรเราไปบอกมันทําไมสมมติอย่างนี้นะมันแข่งขันนะ่ะนะความจริงบางอย่างไม่ต้องพูดแต่ก็ไม่ต้องโกหก ใช่แต่ตอนนั้นเราไม่รู้ไงเราก็โกหกตีก๊อบตกตายิงนกทั้งหมดอะไรสนุกสนานทั้งหมดเห็นไมัี่สิบปีก็ถูกให้นับถือศาสนาพุทธโดยที่เราไม่รู้ว่าคืออะไรเกิดมาคุณพ่อคุณแม่ก็ตั้งชื่อเธอชื่อบัญชานะพ่อแม่เรียกแล้วมีความสุขเขาก็ตั้งอีกเขารักเรามากโดยไม่เคยปรึกษาเราเลยตอนนั้นปรึกษาเราก็พูดไม่เป็น แถมศาสนาไม่อีกพุทธนะลูกพ่อแม่ว่ามันดีเออพ่อแอรเองก็ไม่ค่อยรู้ว่าคืออะไรนะรู้ว่ามันดีก็มาให้เราพุทธอีกเห็นไหมแล้วส่งให้เราไปเรียนวิชาสร้างอนาคตเราไม่เคยรู้ว่าตัวเองเป็นใครเห็นไหมเราก็ทําตามสังคมก็ทําห่ะแล้วเป็นคนหนุ่มแล้วก็เที่ยวเตะตามภาษาคนหนุ่มนะทุกอย่างก็อ้างสังคมพวกคุณไม่มีศีนแบบนั้นแต่ขอมาให้เลย มันมีตัวนี้คํำยันพ่อคูนะเพื่อนฝูงเป็นมะเร็งเป็นอะไรอุบัติเหตุมือขาดไปชกต่อยอะไรกันเนี่เป็นมาหมดเลยล่ะมีคนเดียวที่มันนั่งรอดมานั่งอยู่ตรงนี้นะเพราะอะไรมันเป็นนิสัยส่วนตัวนะกล้าขอกล้าให้เลยนะเรามีทานเลยเราไม่ดูตัวนะขอมาให้เลยไอตัวนี้เหมือนคํำยันเรานั่นแหละพ่อคูเอาชีวิตตัวเองไปไม่ใช่ตั้งใจเป็นพิสูจน์ตอนนั้นไม่รู้เรื่องหรอกมันก็วิ่งไปตามโลกนะี่แหละ แต่เล่าให้ฟังว่าพระครูเป็นอย่างนั้นพอมันเกิดอาการระเบิดตุ้มมันก็มานั่งอยู่ที่นี่ยี่ห้าปีก็มไม่ต้องถือศีลอีกแต่ไม่ทําชั่วแน่นอนไอ้เรื่องคิดอยากกินเหล้าสูบบุหรี่อยากโกหกเขาเนี่ยมันไม่มีความอยากแล้วมันจะไปทําทําไมละ่ะพระครูจําไม่หมดเคยทํำอะไรทีโบงสเต็ปเนี่ยเป็นอาหารจานโปรดเลยทุกอาทิตย์ต้องกินตอนนี้พระครูจํารสชาติมันไม่ได้แต่สมองศึกษา ย, ยังจําได้ทําแต่พระครูจํำรสชาติมันไม่ได้ เมื่อมันมีความรู้สึกอยากแล้วมันก็ไม่ต้องมไม่ไม่ต้องจําเป็นต้่ไปแสวงหามันกินใช่ไหมนี่แหละคือศรรีลคือความปกติของจิตทุกวันนี้ไม่ใช่เขาผิดนะเขารู้ว่าทุกเราห่างไกลศีลความปกติของเราเขาถึงบอกว่าให้เราถือศรรีลห้าหมู่บ้านศรรีลห้าถ้าทําได้อนุโมทนาสาธุโจรโจรโจรเธอต้องถือศรรีลห้านะมันก็มีศีลห้าเลย ก็เขียนห้าข้อให้มันถือมันก็ถือนั่นแหละมันก็ถือนั่นแหละเออมือถือสากปาถือสินอย่างนั้นน่ะมันไม่ใช่ทาสานไม่ต้องถือสินห้าเลยนะทาสานมีสินห้าเต็มเตี่ยมเลยเห็นไหมถั้งว่าชาสานอยากได้เบ็ดเบนไหมมันงงงงมันพูดไม่ดูเรื่องมันไม่ดูภาษาด้วยมันจะไปอยากได้เลยทาสานต้องโกหกไ้มมันทําไมต้องโกหกไม่อยากได้ของไคร เห็นไอ้ทาสานเล่าขวดนี่แพงที่สุดในโลกมันดือดไม่รู้อะไรเหม็นทาซานมีสินห้าอยู่แล้วสินคือความปกติของจิตแต่ตอนนี้สินพวกเราหายไปไหนสินพวกเราหายไปไหนสินพวกเราถูกความรู้ผิดมันครอบนาหมดแล้วคืออวิชชาและตอนนี้ก็แปลกันใหญ่เลยอวิชชาคือความไม่รู้คือความโม่ตั้งหากอีก หัโมอมากเลยเรียนจนจบด็อกเตอร์จบมาพร้อมกันปริญญาบัตรรับในวันเดียวกันคณะเดียวกันออกมาแปลไทยเป็นไทยไม่เหมือนกันทะเลาะบ่แว่งกันต้องไปอาศัยคนที่จบปริญญาตรีมาตัดสินถูกผิดเห็นไหมคนสองคนนี้ได้ว่าคนมีความรู้เรื่องวิชาที่เรียนแต่ไม่มีปัญญาแม้กระทั่งจะคุยกันทีม่มารู้เรื่อง ที่ไม่มีปัญญาเพราะขาดสติที่ไม่มีสติเพราะไม่มีสมาธิที่ไม่มีสมาธิเพราะไม่มีศีลที่มันมีศีลเพราะถูกครอบงำโดยโลภโกรธหลงหลงความรู้ของตัวเองหลงภาษาจบสูงสุดแล้วคุยกันไม่รู้ภาษาพวกนี้มันเกิดอะไรขึ้นในขณ ะ, ะที่ชาวนาสอนควายไถนาได้เห็นไหมเขาไม่ผ่านภาษาเขาจิตสื่อจิต เราถึงเวลาทบทวนแล้วมนุษย์ผู้เจริญทั้งหลายเราเจริญจริงไหมเจริญขึ้นหรือเจริญลงเจริญทางด้านวัตถุแต่ทางจิตวิญญาณเนี่ยเราเสื่อมหมดแล้วแม้กระทั่งศีลห้าก็หายไปเห็นไหมที่เราปฏิบัติเาวีนเวียงเียนเวีย ง, ย ง, ยงแล้วหมุนกลับไปสู่อดีตเรานะเดี๋ยวศีลห้าเราจะมีเองไม่ต้องถือเลยแต่ตอนนี้เขาสอ น, สอนให้เราทําเพื่ออนาคต เหมือนนาฬิกามันก็หมุนไปอนาคตอ่ะเราหมุนย้อนกลับเราหมุนย้อนกลับพระเจ้าหมุนย้อนกลับไปสู่อดีตชาติของพระ อ, องค์สมัยเป็นพระเวสสันดรเป็นอะไรพระ อ, องค์ไปเรียนรู้จากอดีตประสบการณ์ในอดีตทําให้พระ อ, องค์เห็นเรื่องเวียนว่ายตายเกิดบาปบุญคุณโทษกฏแห่งกรรมไม่ใช่พระ อ, องค์ไปนั่งเทียนคิดเอาเองไม่ใช่พระองค์ไปสัมผัสมารจริงๆต่อสิ่งส่นที่พระ อ, องค์พบรู้โอเห็นเนี่ยมาบอกเต่าที่เป็นภาษาเท่าที่พูดได้ ถ้าอนุนก็มาแจดจดจดจดจจดจดจดจดนหุ่นเย้าจากไปก็ยังไม่ได้บรรลุธรรมมีผู้รู้หลายคนมาคุยก็ครูก็อ้าวผูเจ้าอ้าวผู้รู้เจ้าพระคูถามแล้วท่านทําตามผู้รู้เจ้าหรือยังเขาบอกว่าทําอย่างไรพผู้รู้เจ้าไม่เคยอ่านพระไตรปิฎกเลยท่านไปอ่านทําไมไม่ใช่องค์ปัจจุบันนะองค์ปัจจุบันเป็นค์ที่ยี่สิบแปดที่บันทึกไว้น่ะนะ องปัจจุบันจิตที่เราเรียกพระพุทธเจ้าที่อยู่ในล่างเจ้าชายสิทธาเนี่ยเป็นองค์ที่ยี่สิบแปดก็ไม่ได้อ่านพระไตรปิฎกและอยู่ยี่สิเจ็พระองค์ก่อนหน้านี้จะเป็นพระทีปังกรพระกัสสปะนั้นก็ไม่มีพระไตรปิฎกอ่านไม่มีพุทแท้ไม่มีพุทธเทียมท่านเหล่านั้นมารู้ทําได้อย่างไรตอนนี้ยุคตกต่ํามากเป็นยุคแห่งความรู้เขาเรียกว่าเป็นองค์ความรู้แต่ขาดปัญญา ไปกันใหญ่แล้วในคาถาที่ผู้นําศาสนาอื่นเนี่ยเขาพยายามดึงคนที่ไม่มีาศาสนามาร่วมกับเขาเพื่อเขาจะได้โตรดของเราเนี่ยตั้งแก๊งกันฆ่ากันทําลายล้างกันเพื่อแย่งชิงมวลชนกันเองแย่งไม่ได้หรอกลูกหลานเราไม่เอาแล้วเขาจะไปอยู่ที่ไร้าศาสนาอันนี้พระครูต้องพูดบ้างเพราะว่าถ้าเป็นหุ้นส่วนพระครูก็หนึ่งในหุ้นส่วนพุทธบริษัทสี่ ใครบางอาจจะมาทำตัวเป็นเจ้าของศาสนานววาดเอวยุกเอวยุมกตอนนั้นอ่ะลาพระครูไปบวชสามเั น, นลีอยู่ที่นครปฐมตอนนั้นใครมีอารมณ์มหายาเหนือแก้วทิพย์วิไอไปไปรับศีลโพธิสัตว์กับอาจารย์เจ้าผิงซุ่นมาเคยบรรยายพระครูมาจากไต้หวันปพระผู้ใหญ่จี่นวนไปเลยคนนี้อยากบวชไปเลย พ่อครูไม่มีรักที่ศาสนามันเป็นนานาจิตตังทรงสวยหมดไปแล้วกลับมาหมดเพราะมันไปไม่รอดมันเครียดมากอะแต่ต้องทํานไม่ลองก็ไม่รู้ไงก็อยากลองก็ไปสิพุกเราพ่อครูฟังว่าครูบาจารย์ท่านเป็นด็อกเตอร์นะเป็นภิกษุณีนะเบงไทยยังไม่ยอมรับไงผู้ครูเคยถามว่าเอาไหนบอกอ้างพระเจ้าหน่อยพระเจ้าเป็นคนตั้งภิกษุณีโลกแล้วใครเป็นบางอาจปะยุท นี่แต่อ้างทำไมไม่ทําตามล่ะอะไรฉันชอบฉันก็ทําตามอะไรที่ไม่ชอบฉันฉันก็แก้ไม่รู้ทีนี้ภิกษุณีฤทธนั้นเคยบอกพุกว่าท่านไปประชุมนานาชาติองค์ดาลามะเป็นประธานที่ประชุมภิกษุณีด็อตอร์ของคนไทยเนี่ยดูนขึ้นกราบแล้วมาสการอมเดลาะมะบอกว่านิมนต์ให้ท่านเป็นประธานฟื้นฟูภิกษุณีโลกองค์ดาลามะท่านตอบว่าอย่างไร อาตมาไม่บังอาจสงสัยต้องรอพระเจ้าองค์ต่อไปเพราะครูถามว่าใครบังอาจประกาศเป็นเจ้าของาศาสนาแล้วชี้ถูกชี้ผิดคนยุ่งไปทั้งประเทศครูบาจารย์เขาอยู่ดีๆเขาเดือดร้อนไปหมดเลยคุณจะเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่นคุณนักาศาสนาจริงเหรอคุณกําลังไล่คนอดอกจากาศาสนาเพราองเพราะครูเองบังเอิญว่าพระครูไม่อยากว่าอยู่เหนืออะไรทั้งนั้นเละแต่ถ้าพระครูยัง ยังไต่บันได ย, ย, ย, ย, ยังยังยังยังปฏิบัติดีนะเพราะกูจะเลือกไม่มีศาสนาดีกว่าถ้าศาสนาไม่เป็นแบบนี้ไงมันไม่ใช่เรื่องหน้ายินดีเลยนะเป็นหน้าเป็นห่วงนะก็พูดถึงหน้ายินดีให้ฟังแต่เรื่องหน้าเป็นห่วงเราไม่ต้องรับมันไม่รับรู้ไม่ได้เพราะเราอยู่ในตรงนี้ถ้าเกิดเราไม่เข้าใจเราก็ถูกบ่วงกลับเหมือนกันที่นี่ไม่มีรัฐที่ศาสนาที่นี่ยึดคําสอนพระเจ้าดํารงชีวิตมันเป็นวิถีพุทธ ไม่ใช่วิธีพุทธไม่ใช่พิธีกรรมทางพุทธอย่างเองส่วนพิธีกรรมที่ดีๆนะที่สวยงามเนี่ยเราไม่ละเลยไม่เฉมไหมพอทําพิธีทงางศาสนาเขาก็ส่งแกลนเครื่องไม่เฉีมาอย่างนี้แต่พอขึ้นศาลาปุ๊บต้องวางก่อนเราจะแบกหัวโขนเหล่านี้ไปด้วยมันจะไปนิพพานได้ยังไง<ม>นิพพานมาเปรียบเสมือนเนี่ยกระดาษขาวๆแผ่นนี้นะเอาเข็มเจาะตอก รูเข็มเนี่ยเล็กเกินไปเอ้ยังใหญ่เกินไปต้องหาไม่รู้กี่ร้อยเท่านะคุณจะแบกหัวขนไปด้วยได้หรือเปล่าแน้่องจาท่านนักบวชเนี่ยพระภิกษุเนี่ยท่านไปอาบน้ําท่านหุ่งห่มจีบอนได้ไหมท่านก็มีชุดอาบน้ําของท่านผ้าอาบน้าของท่านแล้วต้องรู้กาลาเจสเวลาไหนทําอะไรยังใช้มหายานวัดเจ้าลินเนี่ยเขาฝึกจิตโดยเขาเคลื่อนไหวอ้าวถ้าพระภิกษุเราเนี่ยท่านก็ไม่มีเงเกณฑ์ในด้วย นะจะให้ท่านข้าเคลื่อนไหวหรือเปล่ามาที่นี่เราก็ถว า, ายชุดคลายกังวลให้ท่านเห่น ไ, ไหมคือคือมันต้องไม่มีกังวลอะไรเลยมจิตมันโ ด, น, ดนไม่ได้เราหลอกคนอื่นได้เราหลอกจิตเราไม่ได้ตอนนี้นไม่ใช่ติดรูปแบบพวกครูโ ด, น, ดนสอบมายี่สิบห้าปีละก็ดียิ่งสอบเท่าไหร่ยิ่งมีธรรมะใหม่ๆมาพูดเพราะบางทีมันพูดไปหมดแล้วไม่รู้จะพูดอะไร พูดจนนั้นล่ะทุกวันเสาร์ให้พระครูพูดอะไรกันังหนาย5่ส้าปีก็พูดจนั้นจ้อะไรมาพูดอ่ะเออเขามาสอบบ่อยๆก็มีมีธรรมะใหม่เคยมาที่นี่พระครูพวกก็นิ่มบนเลยพระอาจารย์ช่วยชี้แนะหน่อยท่านก็นั่งเป็นพระผู้ใหญ่นะท่านก็บอกว่าให้สมหวมงเต้นแรงเต้นกลางเหมือนลิงโดยเฉพาะเจ้าสมณาสาวรู้ไปที่ไหน พวกกูบอกผ้าจาย์เอาไว้บนหิ้งก่อนเอาไว้บนหิ้งก่อนอย่าแบกลูกไปด้วยไม่ได้นะคําว่าสํารวมคืออะไรสํารวมไม่ก็เรียกร้อยหรือมีมารยาทสํารวมระวังไม่เบียดเบียนตัวเองและผู้อื่นถามว่าเราเต้นแล้ด์เต้นการเราไปตีหัวใครไหมเราทาชั่วที่ไหนอถ้าพวกกูจะสํำรวมพวกคกูจะนั่งแต่งตัวรอสวยมากนะ แล้วก็ดัดเสียงหน่อยหนึ่งเอาสเสน่ห์มาหานิยมหน่อยหนึ่งล้ว <c oughs> พูดติดใจกันเลยเหมือนฟังดีเกมเนาะแต่ลึกๆ ก, ก็คุยโกโหกพวกเราเนี่ยไม่สำรวจ อ, อย่างยิ่งต้องมีเจตนาคุณคนคนี้เดินไปสำรวจแต่ผู้ดีมา <c oughs> เห็นสตีตกน้ำเฮฉันไม่ยุ่งเดี๋ยวฉันไม่สำรวจเดินไปในฆ่าสัตว์แล้วคุณฆ่าสัตว์แล้วจิตคุณบันทึกว่าคุณไม่ช่วยชีวิต อีกคนนึงวิ่มาเหมือนลิงเลยเหมือนอาหารจี้กลงสำรวมไหมเหมือนลิงเลยนะโดดลงไปช่วยเขาขึ้นมาเห็นไ่มะะนี่สำรวมมากเลยนะผู้ดีคนนั้นเดินมาฉันไม่ยุ่งพอไปเจอกระเป๋าสตาสตงค์เก็บเก็บปุ๊บเฮ้ยเงินเยอะเอาเข้าในกระเป๋าเดินไปอย่างผู้ดีคนนี้ไม่สำรวมเลยนะไอคนที่เป็นลิงเนี่ยโดดไปช่วยสตีขึ้นมาปุ๊บก็วางแล้วเดิดนไป เจอก็ะเป๋าสตางค์ก็วิ่งเดปคืนเจ้าของเขาอย่างสำรวมแต่นี้เราไปติดว่าสำรวมแต่ว่าเรียกร้อยหรือมีมารยาทจะกลายเป็นหุ่นยนต์ด้วยกันหมดนาเรื่องนี้ก็เคยมีเรื่องกล่าวกันต่อๆมานะมีพระเซนสองรูปเดินไปเห็นสตรีท่านหนึ่งตกน้ําอีกรูปหนึ่งก็เพราะมันจะขาดใจตายแล้วไงโดยลงไปช่วยขึ้นมาระหว่างเดินไประหว่างทางอีกองมังนโดนแล้วท่านไปยุ่งกับสตีทําไมท่านทำอย่างนี้ได้ยังไง อง น, นี้ก็นิ่งไปถึงวัดเขไปลายงานคูบาอาจารย์พรทะลึกๆปีนี่อิจฉากันอยู่แล้วเกย์กันอยู่แล้วเนี่ยไปเล่าให้ฟังหมดเลยอาจารย์ท่านว่าอย่างไงบอกอมนั้นเขาวางไปตั้งนานแนตะ่ท่านยังไม่วานเลยตั้งชี้เจตนาว่าเราทําด้วยเจตนาอะไรอย่างานั้นพระครูเห็นทุกคนเห็นพระครูในผักเนี่คนนึ่งลงลงไปเห็นหมดเลยเห็นหมดเห็นด้วยตาเนี้อเห็นจริงๆ ไอเด็กคนนี้ลุกขึ้นมาก็ชี้เลยคนนี้ผักเนี่ยตำรวจมาจับพ่อครูไปขังถามว่าพ่อครูทุกไหมเรื่องอะไรจะทุกเราทําความดีเอา้าทำความดียังไงไปผักเด็กมันล้มลงไปงูมันจะกัดมันไม่มีใครเห็นเลยบางครั้งอย่าเชื่อสายตาตัวเองมากนะักจะสร้างกรรมใหญ่โดยเฉพาะสร้างกรรมไปถูกจิตที่เขาบริสุทธิ์นะเหมือนเราเฟี้ยงหุมแมลงเนี่ยมันจะคุยย้อนกลับมาหาเราเพราะปัญญาเราแค่นั้นเรามองด้วยความรู้ผิดของเรา นะอันนี้คือเป็นตัวอย่างนะก็ช่วงหลังนี้พ่อครูไม่ใช่ช่วงนั้นว่ยี่สิบ้าปีพ่อครูไม่เคยลืมอะไรเลยเพราะมันไม่เคยจําก็เลยบางอย่างก็ต้องจบไปหน่อยหนึ่งทีนี้เรื่องสุดท้ายนะเอาสุดท้ายดีกว่าเดี๋ยวมึเรามามาเต้นอย่างสํารวมดีกว่าเนาะก็ก็มีคำนะข้อนึงเป็นคํานะเล็กๆน้อยๆนะ ซึ่งเกิดจากแก้วทิพย์เมื่อสองสามวันที่ผ่านมาพี่ปองเราเนี่ยใครๆก็รู้นะถ้าใครอยู่นี่มันนานนะแกเข้ากรรมาฐานก็เป็นลิงเป็นข้างอะล่ะยกขาสูงเข้าขวั่โผล่เนื้อนะเต้นอยู่ตรงนั้นแ่ะเต้นอยู่นั้นของแกจะเต้นอยู่นั้นนั้นะ่ะคือนั้นแก้วคิดสนุกเฉินยังไงจิบมันก็ดึงเข้าไปเดินตามพี่ปองมันก็เต้นเหมือนพี่ปองเต้นเหมือนลิงเลยลิงๆงเลยแล้วจิตมันก็สอนว่า เขาพูดคาว่าเขาเป็นหมกมาในจิตเขานะเขาออกมาบอกว่าแตกต่างแต่ไม่ต่างกันทาไมถึงพูดคานี้แตกต่างแต่ไม่ต่างกันแล้วกลับคำคำนี้พูดก็ได้ต่างกันแต่ก็ไม่แตกต่างแต่ทุกวันนี้แตกต่างทางความคิดก็แตกแยกเลยแตกต่างทางความคิดเราก็ไม่ต้องแตกแยกแต่ก็ไม่ต่างกันเพราะอะไร สัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนทุกเหมือนกันทุกชีวิตยอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมเช่นเดียวกันถึงกรรมจะต่างกันแต่ก็ไม่แตกต่างเพราะเป็นเพื่อนทุกเหมือนกันถ้าเราเข้าถึงตรงนี้แล้วเนี่ยเราจะไม่มองใครเป็นศัตรูเราจะไม่มองใครเป็นเขาเป็นเราจิตเขาเขาพุทธมันก็มันก็ทำมันอิสลามากแล้วเขาก็าสรุปว่า วันนั้นแหะจิตเดิมสอนจิตแก้วทิพตอ น, นิ้วทำํำลายอัตตาซะไอ้ น, นี่ตอบโจทย์ทําไมเราต้องเชาวสายบ่ายเย็นโดชั่นมันไม่เหมือนกันทําไมพ่อครูเตงตลอดปล่อยวางหัวขนไปชั่วข่าวคืนอิสารภาพให้กับจิตเราเพราะจิตมันแบกไอ้อัตตาตัวนี้มันเข้าไปสู่นิพพานไม่ได้ลูมันเล็กนี่แหละคือเราต้องปลดปล่อยไอ้หัวขนเราประเพณีมารยาท ไม่ใช่มันไม่ดีแต่มันแบบไปนิ่ผานด้วยไม่ได้พวกเราทุกทุกวันนี้เครียดทุกวันนี้เพราะเรามีมารยาทท่าทางมันไม่มีมารยาทมันก็เลยไม่เครียดมันหิวก็ตินง่วงก็นอนมันก็โหนโหนไปโหนมาเหมือนลิงหมือนขั้งมันก็เลยไม่เป็นมะเร็งเลยสุนัขมันนอนอยู่นานๆมันทับตัวเองงานลุกขึ้นมามันก็เช็คกิ้งมันก็สั่นสลายความตึงเครียดของมัน แล้วก็มันก็เห่าก็หอนผ่อนคลายอารมณ์เครียดมันมันถึงไม่เป็นมะเร็งไงนี่คือหลักธรรมชาติง่ายง่ายนี่คือธรรมะที่จิตแก้วทิพย์คือนั่นมีสองอย่างนะอย่างหนึ่งเขาทําลายอัปปาเจอริงก็ต้องพูดภาษาลิงใช่ไหมเห็นไหมบอกลิงเธอต้องเป็นผู้ดีนะมันเป็นผู้ดีได้ไหมแล้วก็ต้องเข้าใจลิงแล้วก็อยู่ลิงก็ได้ลิงือกับลิงก็ได้เห็นไหมแล้วก็เป็นลิงก็ได้ นี่ลหละคือคำว่าแตกต่างแต่ไม่ต่างกันเป็นการทำลายอัตตาตัวเองแต่ทุกคนยึดมั่นถือมั่นเอาตัวเองเป็นที่ตั้งถ้าใครไม่เหมือนฉันบอกพุทธเทียมฉันพุทธแทนอัตตาใหญ่เลยถ้ามีเทียมมีแทนเป็นของคู่ไม่ใช่พุทธศาสนาพุทธศานายอมรับในความแตกต่างพครูเคยพูดบ่อยๆน้ําแก้วหนึ่งเนี่ยเอาทรายลงไปมันก็อยู่ข้างล่าง เอาน้ำมันลงไปมันก็ลอยอยู่ข้างบนเอาเกลืลงไปก็อยู่ตรงกลางทั้งหมดเป็นหนึ่งเดียวอยู่ในแก้วใบเดียวกันต่างคนต่างอยู่อยู่ร่วมกันอยู่ร่วมกันต่างคนต่างอยู่แต่ทั้งหมดไม่ต้องเหมือนกันทีนี้ไอ้ลทัทธิวิกายที่มันต้องการให้ทุกคนเหมือนกันหมดเพราะมันจะครองโลกมันก็คนใหญ่เลยอาศัยสิทธิเท่าเทียมกันคุนในทั้งโลกเลยตอนนี้บางไทยไม่ระวังก็คุนเหมือนกันคนไทยทะเลาะ ก, กันทั้งบ้านทั้งเมือง เพราะเราไม่ยอมรับในความแตกต่างครอบครัวหนึ่งอย่าว่าจะศัตรูเลยแล้วอยู่กับมันไม่ได้นะครอบครัวเดียวกันบางทีก็ทะเลาะกันทุกวันเพราะเราตัวเองเปชี้ตั้งเรามีจิตฐิ ม, มานะเรามีธงคนรักกันคุยกันไม่รู้เรื่องเพราะเราไม่ยอมรับในความแตกต่างศาสนาพุทธไม่ได้สอนให้เราเท่าเทียมกันหรือเหมือนกัน ศาสนาพุทธสอนให้เรายอมรับในความแตกต่างคนที่เหนือกว่าเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่คนที่ด้อยกว่าได้บุญทุกวันนะอันนี้เรื่องหนึ่งแก้วทิพย์คืนนั้นพอเสร็จเรื่องนี้ปุ๊บแกรู้เรื่องอตาแล้วเนี่ยแกก็หมุนของแกไปไปเจอแม่ชีเมยําลังเต้นแรงเต้นกาอยู่แก้วก็หมุนลอกเขาลอกเขาลอกเขาจิตมันก็สมมุติว่าแม่ชีเมย์เป็นตัวกิเลส ก็ตีวนกิเลสตีวนกิเลสตีวนกิเลสเห็นไมเราห ม, ม, ม, ม, ม, มุนมนมุนนู้นนะันอยู่โซ่จุดกลางล้วก็ควบคุมมันได้กิเลสอยู่ในอา น, นัตของเราละ่ะคือรู้เท่าทันกิเลสแต่ชีวิตเราเนี่ยทําตามกิเลสตลอดคือนั้นเขาได้สองอย่างนี้อันนี้มันเกิดขึ้นเองจิตเดิน ม, มันสอนเมื่อเราพัฒนาไปเรื่อยมันจะให้เราแตกฉานแต่ละเรื่องบางคืนบางชั่วโมงมันก็พิจารณาเรื่องพิจารณาไม่ใช่ผ่านความคิดมนะันไม่ใช่ผ่านสมอง มันวิจัยทําโดยที่มันเข้าไปคุชดีกับอารมณ์นั้นจริงๆอันนี้เขาเรียกว่าเข้าจิตพอฟังพกุกูบรรยายปุ๊บเข้าใจแต่ไม่เข้าจิตกลับบ้านก็วินเหมือนเก่าแต่พอเราฝึกแล้วมันเข้าจิตเหมือนพกุกูสมัยก่อนทำไมจะไม่เข้าใจว่าสูบบุหรี่ไม่ดีเป็นมะเร็งกินเหล้าเป็นโรคตับแข็งมันเข้าใจมันไม่เข้าจิตสมองรู้แต่จิตไม่รู้หมอหลายท่านเนี่ยมาปฏิบัติปุ๊บวิ่งเข้าแปรป่าไปขโมยสูบบุหรี่ พ่อครูถามว่าคุณหมอสอนคนไข้สูบไหมบอกไม่คุณหมอสูบทําไมพ่อครูแก้นถามนะพรอครูรู้อยู่แล้วเวลาพรอครูติดบุหรี่มันเป็นยังไงคุณหมอรู้จริงไหมรู้เรื่องสรีระจริงไหมรู้เรื่องสุ ข, สขภาพจริงไหมเห็นไหมเข้าใจไม่เข้าจิตไงถ้ารู้จริงๆริงทำร้ายตัวเองทำไมล่ะถ้าวันนี้มีแค่องค์ความรู้แต่เราก็เข้าไม่ถึงปัญญาพอจิมันมีปัญญาแล้วตอนนี้พ่อครูสูบบุหรี่ได้ไหมไม่มีความรู้สุดเลย พวกกูจํำรสชาติมันไม่ได้เลยวันสูบสามสี่ซองสูดได้ยังไงแล้วก็ไม่รู้มันล้างทิ้งหมดแล้วอันนี้มันเข้าจิตแล้วไงทุกวันนี้องค์ความรู้เราแค่เข้าใจมันไม่เข้าจิตสมองรู้แต่จิตไม่รู้นี่แหละคือเราทําไมต้องมดฝึกจิตให้มันเข้าถึงจิตเพราะจิตมันรู้แล้วมันไม่ทําอะไรเม่อวามันหยุดโดยไม่ผ่านเหตุผลว่าอย่าทําหน้ามันผิดศีลหน้าอะไรเนี่ยอันนั้นชาไปมันทําไปแล้ว อย่าคิดนะอย่าคิดนะคิดเป็นไม่ดีเอาความคิดไปบอกความคิดอย่าคิดนะพอพอเลิกเลิกเลิกเติมพูดมันก็ชี้ตีอย่าใช้ความคิดไปแก้ปัญหาความคิดเข้าล็อกกิเลสกิเลสก็คือความคือความคิดก็คือกิเลสไงแต่ตอนนี้ตะวันตกเราไปเชื่อเขามากมายเขาเก่งมากเพราะว่าเขาแหลมคนมากเรื่องที่จะชนะใช่ไหมไอ้คําพูดนี้เนี่ย ไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นคำที่พูกครูต้องพูดกันบ่อยๆเพราะว่ามนุษย์เราหลงทางไปทั้งโลกแล้วก็คือไอคำนี think there for ้ไอติงเดอร์ฟอร์ไอแอมฉันคิดฉันจึงมีตัวตนอ้าวเขาบอกใช่ไงเห็นไหมเธอคิดลบเธอก็เลยเศร้าใจเธอคิดลบ เ, เ, เธอก็เลยเสียใจเธอเขาคิดบวกสิเหมือนเหมือนเขาปวดหั ว, วเธอก็กินยาพาราสิแบบนั้นเขาแก้ปลายเหตุแต่พครูแก้ที่ต้นเหตุ หลังจากระเมิดแล้วเนี่ยมันแก้คือไม่ต้องคิดลบได้ไหมไม่ต้องคิดลก็ไม่ต้องคิดบวกไงไม่ต้องสร้างมโนกรรมก็ไม่ต้องปวดหัวไม่ต้องไปกินยาพาลาไอคิดบวกนี่แหละตัวดีนะเดี๋ยวเป็นมะเร็งคิดเอออย่าเป็นมะเร็งนะอย่ากินมะเร็งนะคิดเอาชนะเขาที่จเจาเม่นสําเร็จนะนั่นแหละคือมะเร็งอละพราะเราสร้างมโนกรรมเดี๋ยคิดจนไม่หลับไม่นอนยิ่งยิ่งคิดบวกคือว่าคิดดีนะนะ ไอ้ตัวดีนั่นแหละคนคิดเป็นคือคนไม่คิดไม่ใช่คนคิดเก่งคนคิดเก่งยิ่งคิดก็ยิ่งทุกข์เรียกว่าคนคิดไม่เป็นคนคิดเป็นถ้าจำเป็นต้องคิดก็คิดแต่เรื่องเป็นกุศลเป็นประโยชน์ตัวตัวเองไม่จะคิดที่จะเอาชนะคนอื่นคิดแต่อยากได้อันนั้นกินเัยทั้งนั้นนะมันกลับกันนะน่ากลัวมากวิทศต์เจวิชาแค่ครึ่งเดียวเหมือนไอสไตน์ ไอน์สไตน์ค้นพบทฤษฎีสัมผัสภาพความเชื่อมโยงเกี่ยวเนื่องของสรรพสิ่งใกล้เคียงแล้วนะถ้าไอน์สไตน์วินาทีนั้นเจอพระเจ้าเนี่ยบรรลุทำได้เหมือนกันแต่ไอน์สไตน์ติด บ, บ่วงชั่งตวงวัดถ้าอะไรชั่งตัวงวัดไม่ได้นี่มันไปต่อไม่เป็นทั้งที่ว่ามาเจอทฤษฎีแล้วเนี่ยทฤษฎีนี้เป็นส่วนหนึ่งของปฏิสมุนบาทสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเหตุเกิดผลจึงเกิดความเชื่อมโยงเกี่ยวเนื่องของสรรพสิ่ง แต่นั่นเป็นจบแค่สปปรรพสิ่งแต่เข้าไม่ถึงจิตวิญ ญ, ญาณเรื่องนามมาทําแต่พระเจ้าปไปเจอสิ่งนี้เนี่ยมันลิงก์กับเรื่องเรียนว่าตายเกิดก็เป็นทฤษฎีนี้นะเรื่องบาป ม, มันก็เก็นทฤษฎีนี้นะแต่วิทยาศาสตร์ไปติดหวงเรื่องช่างตวงวัดเรื่องกายภาพตัวเราประกอบด้วยรูป ก, กับนามกายกับจิตแต่วิทยาศาสตร์เอากายอย่างเดียวเอากายอย่างเดียว ก็เลยละเลยเรื่องจิตวิญญาณมีคนมาปฏิบัติจากนครพนมมาเจ็ดวันวันสุดท้ายไปกราบลาพระครูนี่ปิตินั่งร้องให้เลยเกิดมาไม่เคยโล่งไม่เคยเบาอย่างนี้เขาก็เรียนวิทยาศาสตร์พระครูถามมาเออแล้วมันกี่กิโลล่ะมันชั่งตรงนั้นวัดได้ไหมที่มันโล่งมันเบาเห็นไหมมันดีไหมดีแล้วทําไมเราละเลยสิ่งนี้ล่ะเอาแค่ความสะดวกสบาย สะดวกแล้วค่รู้สึกสบายพวกกูถูกคํานี้หลอกไปสี่สิบปีนะกว่าจะสะดวกได้เรียนแทบตายเอาวิชาที่เรียนมาไปหาเงินเหนือไหลไขย้อยเพื่ อ, ยยอยเอาเงินมาซื้อความสะดวกแล้วค่อยรู้สึกสบายค่อยรู้สึกสุขอ้อมอย่างนี้นะแต่ยี่บห้าปีอยู่ที่นี่เนี่ยเจอสัจธรร์ข้อใหม่สบายโดยไม่ต้องสะดวกได้คุยกับพวกเราก็สบายนั่งเฉยๆก็สบายเดินไปเดินมาก็สบาย ไม่ต้องผ่านสะดวกสบายเลยไม่ต้องสะดวกได้ไหมได้ตำรวจไม่จับไม่ต้องขอบีซ่าด้วยถ้าไปแก้ที่ปลายเหตุหมดขี้จนปวดหัวแล้วเอายาพาามากินดับมันแล้วก็คิดต่อนิกยามนหมด ม, มันก็ปวดทีทีนี้มันก็ดื้อยาสิเห็นไมมันก็ดื้อยาดืด้อๆไปเรื่อยสุดท้ายมันก็เป็นมะเร็งมันจะเป็นไหนเราแก้ปลายเหตุนะนี่แหละ หนังสือขายดีมากเลยคิดบวกเพราะกิเลสมันชอบคิดบวกคิดบวกอย่างนั้นแหละคุณแก้โดยคุณไม่ต้องคิดลบได้ไหมยอยากทำอยากได้อะไรก็ทำอยากให้มันสะอาดก็ถูสิไปคิดบวกคิดบวกอย่างนั้นแหละอยากสะอาดก็ถูให้มันสะอาดก็กวาดอยากได้ก็ทำเอาไม่ต้องผ่านความคิดทุกวันนี้ได้ยังไงไม่คิดได้ยังไงถามตำรวจจัดไหม ต้องขอวีซ่าหรือเปล่าทำไมจะไม่ได้ล่ะแต่กิเลสเรามันบอกว่าไม่ได้ถ้าคนไม่คิดนี่ถูกด่าเลยคิดไม่เป็นแถวมว่าเป็นคนโง่อี ก, พกเพราะคูเลยกลายเป็นคนโง่ยี่สห้าปีแต่เป็นคนโง่ที่ไม่ต้องทุกข์กับเขาก็ดีแล้วไงเออยอมโง่ถ้าสิ่งนี้เราทำอยู่มันเป็นความโง่เออโง่ก็โง่สิโง่อะไรมันทุกข์แลฉลาดแล้วมันทุกข์เนี่ยฉลาดไปทาไมหระเป็นคนโง่ดีกว่า บางคนบอกว่าเอ๊ไม่บ้าเหรือไม่ทํามาหากินมาอยู่ในป่ า, มาเมื่อเบี่ยงอะไรทิ้งเบี่ยงอะไรทิ้งเบี่ยงอากาศทิ้งมันได้อะไรพ่อครูถามว่ามีนะหลายปีก่อนมีรัฐมนตรีสาธารณสุขท่านหนึ่งมาคณะใหญ่เลยมาเยี่ยมพ่อครูพ่อครูบรรยายเสร็จรู้สึกเป็นอธิย์บดีหรือว่ารองอธิบดีมาดูไอกกรมโรคจิตเนี่ยก็ยกมือเขาบอกว่าเอ๊เห็นบางคนฝึกจิตแล้วเนี่ยแล้วก็เกิด เป็นวิกฤตจลิตอะไรเนี่ยตอนนั้นบังเอิญว่าในแพทย์ประกิตเผานะกําลังดังๆหนังสือพิมพ์ลงหน้าหนึ่งนะไปไปบวชไปฝึกในสายอะไรหลวงพ่อคงอะไรนี่ก็ไปติดบ่วงจิตเดิมนะก็อุ้ยเสด็จพี่สเสด็จน้องไปเจอกิก๊บไปเจอกิ๊บเก่านคนทุกวันนี้ฉลาดมากนะถ้าเรามีชูน้นี่ผิดศีลบนะ้ามีชู้ผิดศีล น, นะแต่ถ้ามีกิ๊ไม่เป็นไรนะก็มีกิ๊ะ แล้วก็ถูกเขาหลอกป็นอะไรอะไรทีนี้ก็ฟ้องกันวุ่นวายหมดนะเขาเก้าเข้าไปโรงพยาบาลตอนนั้อยู่โรงพยาบาลพรกูวันนั้นไปเอาหมอภากิตเผามหาบกูแล้วเขาจะหายบ้ามีใครบ้างไม่บ้าพระกูว่าถามท่านคืนเกิดมาวันแรกมันก็แหกปากร้องกันเลยมันก็ทํำไมไม่ดีใจดีใจจําเลยฉันเกิดแล้วมันร้องไห้ทําไมมันบ้าแล้วนั่นชาวเขาเขาถูผีถือสารเรหาไอ้พวกนี้มันหลงงมงายมันเป็นบ้า แต่ชาวเราเนี่ถือสัตว์ถือศีแย่งกันถือาลาด้วยสนเสริญทั่รกันทั้งบ้านทั้งเมืองไม่บ้านะบ้าทุกคนมันบ้าคนละแบบแต่ชาวเขามันกลัวผิดผีมันก็ไม่ทำชั่วมันก็อยู่อย่างสันติเสรีเห็นไหมไม่ต้องมีตหรวจด้วยกฎหมายคุ้มครองก็ไม่ได้เขาก็อยู่อย่างไม่มีเรื่องเพราะว่าเขากลัวผีไงแต่ชาวเราเนี่ยอยากชนะ อยากระลึมสนเสริญทะเลาะ ก, กันทั้งบ้านทั้งเมืองผีอะไรฉันก็ไม่กลัวนะผีพ่อผีแม่ก็เอาปืนมายิงไม่บ้าก็กินยาให้มันบ้าบ้าทุกคนนะถ้าอยากหายบ้าเนี่ยอย่าไปกดมันไว้เอาความบ้าออกแล้วมันจะหายบ้าเรากำลังทำอยู่เอาไมาล่ลงให้หมดไม่ใช่ไปเข้าค่ายปฏิบัติธรรมปิดวาจาเจ็ดวันก้าวัน ห้ามพูด อ, อู้สบายสบายไม่ได้ยินใครบ่นแช้ไม่ต้องสร้างวัจจิกรรมเลยแต่นั่งหลับตาพคิดต้นคิดโน้นคิดโน่นคิ ด, น, คดนี้แต่สบายเพราะไม่ได้ยินเสียงใช่ไหมพอกลับไปบ้านเนี่ยต้องพูดแก้แค้นเพราะไม่ได้พูดมาเก้าวันมาที่นี่ไม่ใช่นะมีอะไรออกมาให้มันหมดเลยกลับไปบ้านมันจะไม่มีแรงบ่น อันนี้ไปไปวางขันกันนะเด็กไปบ่นเขาถามบอกไปปฏิบัติทําอย่างนี้เหรอกลับมาย่งบ่นมากขึ้นก็บ่นแก้แค้นไงก้าววันไม่ได้พูดแล้วมันจะศรัทธาได้ยังไงล่ะคือไปกดมันไว้เราไปกดสปริงไว้เผลอปุ๊บชนปุ๊บก็เด้งอีกล้วต้องทําลายสปริงสร้างมาดึงมันออกนี่ล้วกำลังดึงออกแต่บางคนมาใหม่ใเนี่ยต้อทนหน่อยนะต้องขันติอย่าขันแต่ก่อนะ เต้ไปสองวันเดี้ยงหมดเลยละเบิดไ่หมดเลยต้องขันตีต้องขันตีอย่าขันแต่กดเปรี้ยกินหวานอันนี้เห็นไหมไม่ยอมใจนี่ไปดีกว่าอ้าแค่นี้มันไม่กดทนแล้วมันจะไปนิพพานได้ยังไงเนี่ยต้องขันตีนะะไม่ใช่ไปกดมันไว้เน้นหนอเน้นหนอเน้นหนอหน่อยช่วยโน่นเน้นหนอเน้นหนอเน้นหนอเออช่างมันเถอะพอบ่อยวางแล้วมันก็เลิกเหม็นพอออกไปก็เข้ามาเหม็นอีก บันทึกูไปดีกว่าเปิดฝามันออกมาสูบเลยเวลาสูบมันเหม็นมากๆเลยต้องขันติเมื่อเราสูบหมดแล้วมันก็ไม่เหม็นตลอดการเราสร้างกรรมมาหลายพกหลายภพหลายชาติอย่าค่ากาไรเกินควรนะเออบางคนเวียงไปเวียงมามาตั้งสิบวันแล้วบอกมาตั้งสิบวันแล้วเนี่ยยังไ ม, ม่ผ่านเลย พ่อครูุญาตพระ อ, อาจารย์นิโซนะพ่อครูเคารพท่านนะท่านก็เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อชาพ่อครูก็ลูกศิษย์หลวงพ่อชานะั่นแหละเห็นไหมท่านก็กดมันไว้สามสิบแปดปีไงท่านไม่ได้ออกถ้าหลวงพ่ออยู่เนี่ยหลวงพ่อจะเตือนบังเอิญบุญท่านแค่นี้ก็มีโอกาสบวชสารนับแปดพรรษาท่านก็สร้างคุณอุปการให้เยอะแยะไม่ใช่เรื่องถูกเรื่องผิดไม่ใช่เรื่องดีเรื่องชั่วมันเป็นวิบากกรรมของแต่ละคนนั่นแหละแต่พ่อครูใช้คำาเสียดาย เสียดายอุบายวิธีในการฝึกสติมันเป็นบาดฐานเบื้องต้นเท่านั้นเองเหมือนเด็กๆเราเกิดขึ้นมาปุ๊บเดินไม่เป็นคุณพ่อคุณแม่ก็ให้เรายืนตั้งไข่นั่นคือสมาธิไงเดินมาลูกเดินมาลูกทีละก้าวเอาขนมล่อมันนั่นคือสติแล้วไงไม่ต้องฝึกใช้มันใช้ใชย้ยิ่งใช้ก็ยิ่งชำนาญอย่างนักมวยชกประสอบชุกุกุกุ ก, กุขยันมากก็แข็งแรงระดับหนึ่ง ถ้าไม่เคยขึ้นเวทีเลยเดี๋ยวไม่เกิดปัญญาไม่ไดเกิดทักษะพราะกระสอบมันชกเราคืนไม่ได้อันนี้เราเข้าไปในจิตเห็นไหมเราหลอกจิตเราไม่ได้นะพอเต้นไปเต้นมาติดลมได้เนี่ยนื่เหนื่อยแต่จิตมันไม่ยอมให้หยุดอะตอนนั้นเดี๋ยวไปรู้คําสอนผู้เจ้าอย่างเดี๋ยวต้องเอามาใช้ต้องเอาศรัทธามาใช้เอาขันติมาใช้เอาวิริยะ ม, มาใช้ของจริงเราขึ้นเวทีมันบอกเราหรือเปล่าผู่ต่อสู้ระวังนะ ระวังนะฉันจะชกขวาแล้วมันจอมคงบอกเราเนะมันชกมาเราทํายังไงก็ต้องใช้สติปัญญาลุสมาที่เราก็ต้องโหลบหลีกมันไงอันนี้คือวิปัสสนาไม่ใช่ไปกําหนดต้องกำหนดนี่เด็กๆก็ทําได้เรารู้ล่วงหน้าเลยจะกําหนดอะไรเห็นไหมเวลาเข้าค่ายเขาเราไปฝึกไปยิงเต้านิ่งเดีมีเวลาทําสมาธิเล่อยู่ยิงยงยิงผิดก็ยิงใหม่ได้เต้าไม่หนีไปไหนไงอันนั้นเด็กๆก็ทําได้ แต่ชีวิตเรามันเป็นเต้าบินมันไม่รู้มันจะทางไหนอ่ะถ้าเราช้ากูมันจะยิงถูกหรือเปล่าวุฒิพิจารณาพิจารณาทำไหมเอ๊ะใครยิงมาสีอะไรมันตกก่อนนะพอเขาด่ามาพิจารณามันเกิดแล้วไงให้มึงด่ากูทําไมแต่มันมันบอกช้าแล้วเไะมันไม่ทันพอฝึกยิงเต้าบินปุ๊บมันด่ามันก็ทบกูรุกตัด รูปเกิดก็ดับไม่กระทบกระทบหูไม่กระเทือนใจเห็นไหมรูปเกิดก็ดับเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ไม่เกิดถ้าเราไม่ทำวันนั้นมีคนมาปรึกษาพระครูะอะตรนี้โกรธนะแต่มันก็รู้ทันเออช่างมันเถอะแต่เราบอกช้ำเราไงอันนี้ยังสายเกินแก้ยให้มันโกรธได้ไหมก็ทบกทุกเรียงเลย มันว่าพอเราฝึกมาแล้วมันเป็นอัตโนมัตินะไม่ใช่ใช้สติสติใครจะมีสติคุมมันตลอดเวลายี่บสี่ชั่วโมงมันเป็นเองเราฝึกบ่อยบ่อยมันเป็นเองต่อไปกระทบปุ๊ไม่ใช่เรารู้ไม่รู้ว่ามันด่าเรานะก็สักแต่ว่ารู้ไงก็จบเขาด่าเรามีเราถูกด่าไม่พอเนี่ยนะขาดทุนแล้วนะแล้วยังเอามาทุกเอามาโกรธอีกนิดเหมือนเรามันเป็นหนี้เราด่าแล้วก็แล้วด่ามันก็แล้วมันก็ไม่ให้ กลับไปบ้านอีกยังนอนไม่หลับอีกนีก่โง่แล้วโง่อีกโง่ซ้ำซากเสียเงินแล้วไม่พอยังเสียใจอีกเสียชีวิตอีกเสียสุขภาพอีกท้านี้โง่ซ้ำซากตื่นพวกเราลูกหลานพุทธเจ้าอย่าเป็นคนโง่อีกต่อไปเอาวิชาไม่ได้แปลว่าความไม่รู้คือความรู้ผิดถ้ามันไม่รู้ผิดมันก็ไม่คิดปรุงแต่ง มันรู้ว่าคิดบวกถึงจะดีมันมคิดว่าชนะถึงจะดีอันนั้นคือความรู้ผิดรู้ผิดได้ยังไงมันชนะมันก็ดีสิมันเหมือนดีแต่มันไม่ดีมันเป็นกิเลสพอชนะแล้วมันก็อยากชนะอีกเห็นไหมล่ะพอชนะแล้วเดี๋ยวมันขอชิงแชมป์อีกก็กลัวอีกว่ามันจะแพ้อีกทุกไปตลอดชีวิตเห็นหอยากคือที่มาของทุกนะก็วันนี้เป็น ธรรมะเล็กๆน้อยๆนะก็สุดท้ายนี้ก็ขอรัตนาคุณภศษีรัตนาตยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสาคลจักรวาลพร้อมทั้งบุญบารมีที่ได้ร่วมกันประพฤติปฏิบัติมาได้คุ้มครองทุกคนอยู่เย็นเป็นสุขอายุมั่นขวัญยืนบรรุมรรคผลนิพพานโดยไวยเถน